เมื่อวานได้พูดถึงคนที่เขาเปลี่ยนจุดอ่อนของตัวให้กลายเป็นจุดแข็งอย่างเด็กที่มีปัญหาด้านสายตานะลอกเลนออกเพราะเกิดอุปัติเหตุจวกรนทั่งมองเห็นอะไรไกลๆไม่ชัดจากที่เคยชอบดูนกก็ดูไม่ชัดก็เลยหันมาดูมดดูมแมลงแทนเพราะว่า สามารถจะมองเห็นสิ่งเล็กๆนะใกล้ๆได้ชัดกว่าเด็กทั่วไปสุดท้ายก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อมากเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งแล้วในเรื่องของมดนะรวมทั้งมแมลงที่ใกล้เคียงด้วยหรือว่าเด็กที่ต้องตัดแขนซ้ายทิ้งเพราะอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็ แต่ชอบเล่นยูโดสุดท้ายเนี่ยทั้งที่บกพร่องขนาดนี้ก็ยังสามารถที่จะชิงชนะเลิศจนเป็นแชมป์ได้เพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถจะจับแขนซ้ายของเขาเนี่ยอันเด็กคนนี้ชื่อเซกิเนี่ยไม่สามารถที่จะจับแขนซ้ายและกระชาบก็เลยไม่รู้ว่าจะแก้ท่าที่เป็นไม้ตายของ เสกิได้อย่างไรในความบกพร่องที่ว่านี้นะอาจจะเกิดขึ้นกับคนไม่มากนะแต่ว่ามันมีความบกพร่องหรือว่าจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะกับผู้คนเป็นจำนวนมากนะตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยแลก็คือโรคสมาธิสั้นหรือว่าความบกพร่องความผิดปกติในการอ่าน ที่เขาเรียกว่าดิสเลกเซียหรือว่าอันนี้เป็นกันเยอะนะออทิสติกต่ำๆก็แอสเพอร์เกอร์นะแอสเพอร์เกอร์นี่มันก็เป็น on. ออทิสติกแบบอ่อนๆเดี๋ยวนี้พ่อแม่หลายคนนี่มีความทุกข์มากนะเพราะว่าลูกมีอาการที่ว่าเนี่ยซึ่งก็ทำให้เหมือนกับว่าเป็นข้อด้อยนะของของเด็ก แต่ที่จริงแล้วนี่มันสามารถจะกลายเป็นจุดแข็งได้เหมือนกันนะถ้าากว่าใช้เป็นเนี่ยเอาความสามารถที่ตัวเองมีอยู่มันก็สามารถจะทำให้เกิดความเจริญนะก้าวหน้าอย่างน้อยก็ในอาชีพการงานได้อย่างก็พบว่าเนี่ยในในยุโรปอเมริกาเนี่ย ผู้บริหารชั้นนำเนี่ยในแวดวงเทคโนโลยีธุรกิจเนี่ยจำนวนมากเลยนะเป็นพวกออทิสติกหรืออย่างตามๆกับแอสเพอร์เกอร์อย่างเช่นซักก์เบิร์กเนี่ยนะผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กเนี่ยแล้วก็กำลังโด่งดังทุกวันนี้เนี่ยเขาก็มีอาการแอสเพอร์เกอร์นะหรือว่าออทิสติกอ่อน รวมทั้งคนที่มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นหรือว่ามีปัญหาบกพร่องในการอ่านหลายคนนะก็กลายเป็นคนเด่นคนดังอย่างเช่นสตีฟจ็อบสเนี่ยก็เป็นคนที่เขามีปัญหาด้านการอ่านนะผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ด b m นะหรือว่าบริษัทชั้นนำใหญ่ๆนี่ พวก น, นี้มีปัญหานะด้านการอ่านซึ่งถ้าเรียนหนังสือนี่ก็บางทีก็สอบตกนะหรือว่าได้คะแนนต่ำมากแต่ว่าพอมาทำธุรกิจนะพอมาบริหารอ ง, งค์กรนี่ก็พวกว่าสามารถที่จะสร้างความเจริญหรือประสบความสำเร็จได้พวกสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยที่ตอนนี้ดังกันนะ่ใน หลายประเทศเลยนะไม่ใช่ยุโรปอย่างเดียวในเอเชียด้วยหลายคนนะก็เป็นพวกสมาธิสั่นเป็นพวกแอสเพอร์เกอร์หรือว่าเป็นออทิสติกเลยด้วยซ้ำนะมันก็เลยเกิดความสงสัยว่าอทำไมนะคนที่มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเรียกว่าปัญหาเนี่ย จึงประสบความสำเร็จนะในแวดวงธุรกิจในแวดวงเทคโนโลยีโดยเฉพาะแวดวงเกี่ยวกับดิจิทัลนะก็เพรา ะ, ว, รนะระว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะจุดอ่อนก็มีแต่ว่าจุดอ่อนกลายเป็นจุดแข็งนะอย่างเช่นคนที่มีปัญหาด้านการอ่านเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการใช้คนนะ มีความสามารถในการใช้คนให้มาช่วยงานของตัวซึ่งเป็นทักษะที่มีมาตั้งแต่เล็กนะเพราะว่าเวลาทำการบ้านเนี่ยทำการบ้านไม่ค่อยได้นะเพราะการบ้า น, นต้องใช้การอ่านออกเขียนได้ก็ไหว้วานเพื่อนให้มาช่วยทำต้องมีทักษะในการชักชวนต่อรองทักษะนี้เนี่ยก็เอามาพอมาใช้ในเมื่อตัวเองเป็นผู้บริหารธุรกิจเนี่ยนะมันก็สามารถจะใช้คนให้มาทางาน แทนตัวได้มีความสามารถในการมองคนว่าเนี่ยจะให้ใครมาช่วยงานของตัวในลักษณะไหนหรือว่าคนที่มีสมาธิสั้นเนี่ยขาก็มีจุดเด่นนะก็คือว่ามีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ชอบอไม่ชอบที่จะยอมรับความคิดเดิมๆง่าย เวลาทำอะไรเนี่ยก็ต้องมองหาว่าจะมีวิธีการทำที่ดีกว่านี้ได้อย่างไรนะคือไม่ชอบย้ำท้าอยู่กับที่เพราะนั้นก็เรียกวาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นพวกกล้าไดกล้าเสียด้วยพวกนี้เนี่ยพอมาทำงานนะในวงในองค์กรสมัยใหม่เนี่ยมันก็สามารถที่จะคิดงานนะทีแ่แปลกใหม่ๆได้ เนะพราะสมัยนี้เนี่ยการงานางต่างเนี่ยมันต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มากนะจึงจะแข่งหรืออยู่รอดได้คนที่เป็นแอสเพอร์เกอร์หรือโรคออทิสติกก็ตามเนี่ยก็เหมือนกันนะเนะี่ยลักษณะเดของคนที่มีอาการแบบนี้คือว่านะชอบหมกมุ่งกับเรื่องบางเรื่องแคบๆเล็กๆนะ เรื่องอื่นไม่สนนะจะสนแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องตัวเลขนี้เขาจะชอบมากอะไรที่มันเป็นแบบแผนต้องทำอะไรซ้ำๆเนี่ยเขาจะชอบแล้วคนเหล่านี้เนี่ยพอให้มาทำงานเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์นะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็สามารถจะทำได้แบบอึดแบบทนนะจะมี การเกียรติคร้านนะหรือว่าถูกล่อลออให้ไปทำอย่างอื่นเนี่ยน้อยนะเพราะว่ามันเป็นงานที่เขาถนัดไม่เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยทำงานพวกนี้ไม่ค่อยได้นานๆเพราะว่ามันน่าเบือ่อนะไอเรื่องตัวเลขนะบางทีก็แว บ, บไปทำโน่นทานั่นนะที่น่าสนใจกว่าแต่คนที่เป็นออสเปอร์เกอร์หรือว่า ออทิสติกนี่ให้ทําเรื่องพื้นที่ได้นานๆทําได้เลยนะยิ่งไม่ต้องเจอผู้คนด้วยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะคิดโปรแกรมใหม่ๆนะหรือว่าวางนะแบบแผนการทํางานเนี่ยได้ได้ดีกว่าคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นจุดแข็งนะซึ่งบังเอิญเนี่ยมันก็เหมาะกับยุคนี้นะยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคเรียกว่ายุคข่าวสารข้อมูล ยุคดิจิทัลเนี่ยมันก็ต้องการคนที่มีลักษณะแบบนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะต้องอาศัยความ อ, าอึดความอดทนอย่างเดียวนะแต่ว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะไอ้พวกที่ชอบพวกที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยก็ชอบอะไรแปลกๆใหม่ๆก็โลดไปแดงไปในวงการหนึ่ง ในโบกี้ชอบเทเลสรมซัๆแบบพวก a อสเ r อร์กอลอเทสติกนี่เขาก็เด่นไปอีกทางหนึ่งนะสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างนะของคนที่ดูเหมือนมีข้อจำกัดนะมีจุดด้อยนะแต่ว่าพอมาอยู่ถูกที่นะพอมาอยู่ถูกที่เนี่ยนะมันก็กลายเป็นจุดเด่นนะที่เคยเป็นข้อเสียเปรียบ นะเมื่อเทียกับเด็กคนอื่นเช่นเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยพวกนี้เนี่ยเรียนไม่ค่อยได้นะคะแนนไม่ค่อยดีมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้คนแต่ว่าพอมาทำงานในลักษณะที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรหรือว่าบางทีก็ต้องอยู่กับตัวเลขนะอยู่กับเครื่องจักรก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ เพราะนั้นเนี่ยคนนี่พ่อแม่ที่มีลูกนะที่มีอาการแบบนี้หรืออาการแบบอื่นเนี่ยที่เรามองว่าเป็นจุดด้อยเนี่ยหรือบางทีไปเชื่อเป็นปมด้อยของเด็กเนี่ยถากว่ารู้จักมองนะไอ้สิ่งที่เป็นปมด้อยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดแข็งขึ้นมาได้นะอยู่ที่ว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่ด้วย ถ้าพ่อแม่ทาให้เด็กรู้สึกว่าเนี่ยที่ตัวเองมีที่ตัวเองเป็นนี่มันเป็นปมด้อยเด็กก็เริ่มนะที่จะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ารู้จักทําให้เด็กเนี่ยใช้ประสบการณ์ที่มีเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นจุดด้อยในสายตาของบางคนแต่ว่ามันสามารถจะเป็นจุดแข็งนะในหลายสถานการณ์ได้ มันก็สามารถจะทําให้เกิดความจเจริญก้าวหน้าเกิดความสําเร็จได้แล้วก็ทําให้เกิดความมั่นใจในตัวเองพอทุกอย่างเนี่ยนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในบางกรณีจุดอ่อนก็กลายเป็นจุดแข็งในบางสาการจุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อนที น, นี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็ต้องอรู้จักมองให้เห็นนะว่าในสิ่งที่เป็นจุดด้อย นะของเด็กหรือจุดอ่อนของเด็กเนี่ยมันในตัวมันเองเนี่ยมันเป็นจุดแข็งในเรื่องใดบ้างนะบางทีเจ้าตัวเองก็ต้องก็สาคัญนะอย่างเด็กที่พูดมาสักครู่เนี่ยนะตาไม่ดีมองเห็นนกไม่ชัดนะแต่ว่ามองเห็นมดเห็นมแมลงได้ชัดก็มาเอาดีทางนี้แทนนะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อันนี้พวกเราก็ต้องมองตัวเราเองด้วยนะเออเรา เรามีจุดอ่อนจุดด้อยยังไงแต่ในตัวมันเองเนี่ยมันเป็นจุดแข็งก็ได้เหมือนกันนะเช่นเดียวกันเวลามีความทุกข์นะเวลามีความทุกข์หรือกลายเป็นคนพิการขึ้นมาเนี่ยลองดูดีๆนะมันจะทําให้เราเนี่ยมีความสามารถที่เหมือนแตกต่างจากคนอื่นอย่างเด็กที่ตาบอดหรือคนที่ตาบอดตั้งแต่เล็กเนี่ยนะหูจะไวมากเลยแล้วบางทีเดินเหินไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลย แค่กระดอกลิ้นนะกระดกลิ้นเนี่ยหรือเดาะลิ้นเนี่ยเสียงที่มันกระทบกับสิ่งที่ขวางหน้าเนี่ยพอมันสะท้อนเข้าหูเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยหูเขาไวมากนะไวมากจนทั้งรั้วเนี่ยมีมีเสาอยู่ข้างหน้ามีรถอยู่ข้างหน้ามีคนอยู่ข้างหน้ารู้ได้ยังไงนะรู้ได้จากเสียงที่มันที่เขาเดาะลิ้นแล้วมันสะท้อนกลับมาที่หูเขาเนี่ยนะ เหมือนกับค้างค่าวเลยนะอันนี้มันเป็นความสามารถพิเศษนะซึ่งเกิดขึ้นนะกับคนที่ตาบอดจำนวนมากนะก็กลายไปว่าจุดด้อยของเขามันก็ทำให้เขามีข้อเด่นในบางเรื่องซึ่งเป็นความสามารถพิเศษที่คนธรรมดานี่ทำไม่ได้บางคนนี่ตาบอดขี่จักรยานได้นะนะไม่ต้องพูดถึงวิ่งนะเพราะใช้วิธีการนะกระดกลิ้นหรือเดาะลิ้นเนี่ยนะอาศัยเสียงที่มันสะท้อนกลับมาเนี่ย ทำให้เขารู้ว่าทั้งหน้านี่มีสิ่งกีดขวางหรือเปล่า